อุตชาวิสัชนาธรรมกับท่านหลวงตา น, า น, านตรงศักด์ขีนานโยต่อเทียนรู้อยู่ที่ใจจับหลับไว้จากมั่นคงเอาไวทไ้ท่<อ>านั้นค่ะเอาอกตอนนี้ก็ไดน้มีเขาหน้าแล้วเดี๋ยวพวกมิตรายแล้วทำไงอ่ะไมต้องคืนนี้เนี่ย คนมาที่นี่แล้วไม่ให้หลุดรอดไปอ่ะต้องวางเดี๋ยวนี้เนอ ะ, ะวางเดี๋ยวนี้ต้องคิดว่า<ม>พรุ่งนี้อาจจะไม่มีชีวิตรอดทุกคนต้องคิดอย่างนี้ตลอดนอนหลับตาลงคืนนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ตื่นเราจะรู้แน่ใจได้ไงว่าพรุ่งนี้ยังมีลมหายใจอยู่พระหลับตาไปแล้วอาจจะหลายตายไปแล้วแต่สิ่งที่แค้นเคืองค้างคาน้อยใจ ใจน้อยเดียวเนี่ย ม, มันยังไม่วางแล้วเดี๋ยวคืนนี้มันไหลาตายไปเราทำไงอะ่ะไม่ต้องวางเขาหน้าเราวางเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เออมันก็พ้นทุกเดี๋ยวนี้เลยแต่พ้นทุกแล้วมันจะไหลาตายก็ไหลไปเถอะเราก็นอนตายตาหลับสบายตานอกก็หลับกายเนื้อก็นอนหลับตาตายไปก็เน่าเปื่อยผุพังไปตาใน ตาในคือกายในมันกระเด็นออกมาก็เด็นออกมาเวลาตายแล้วทุกค น, นมันจะมีกายในอีกตัวหนึ่งกายในซึ่งเป็นลักษณะรูปร่างเมือนตัวเราเนี่ยเป็นกายปร่งแต่งก็เด็นออกมาอยู่นอกตัวเราในตัวนั้นเนี่ยมันไม่ตายนะมันไม่ตายถ้าเราไม่เข้าถึงไอ้ธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุที่เป็นธาตุดั้งเดิมแท้ๆเราจะออกจากไอ้ตัวสังขารปรุงแต่งที่มันได้ เขาเรียกว่าลูกวิญญาณภาษาของใ น, น, นของนุงป่หลวงปู่ดุลจิตคือพุท ธ, ธะลูกวิญญาณเราจะไม่สามารถถอดลูกวิญญาณได้วิญญาณจะไม่ดับจะพาเราไปทุกข์ยากลำบากยมทูตเขาก็จะชุดกระชากลากไปลงโทษตามผลบุญผลบาปที่จะต้องทิพกสามันจะออกมาแล้วก็ยังน้อยใจในตัวนั้นน่ะ มันก็ยังร้องไห้มันก็ยังทุกข์เสียใจอยู่นั่นแหละไอ้ตัวนั้นเป็นตัวปรุงแตง่งเป็นตัวสังขารปรุงแตง่งในร่างกายเรามีสังขารปรุงแต่งซึ่งเป็นกายเนื้อแล้วก็มีสังขารปรุงแต่งซึ่งเป็นจิตสังขารแต่ร่างกายเนื้อใครก็ไม่อยากจะออกจากมันเพราะว่าถ้าวิญญาณออกจากกายเนื้อร่างกายเนี่ยมันจะตาย ร่างกายเนื้อก็จะตายถ้าวิญญาณเนี่ยออกจากร่างกายเนือเน้อกายเนื้อก็จะตายไม่อยากออกถึงข่าวตายก็ต้องออกวิญญาณก็ออกจากร่างมาจากกายเนือ้อแต่มันออกจากกายจิตสังขารไม่ได้เพราะมันยังฝึกไม่เป็นไอตรงนั้นนะ่ะทุกมากจนะทุกมาก ไอ้ตัวที่ยังมีความทุกข์อยู่อย่างไรเนี่ยไอ้ตัวนั้นเน่ยไม่ตายแหละก็ออกมาทุกข์เหมือนเดิมแหละตัวที่มีความรักความแค้นความชังอย่างไรเป็นอย่างไรเนี่ยพอไอ้กายเนื้อเนี่ยหายใจเพื่อบเพื่อบแค่นั้นเนี่ยไอ้กายนั้นก็เด็นออกมาไอ้กายปร่งแสงออกมาเคยทุกข์มันยังมีขณาดปัจจุบันทุกอย่างไงขับแค้นใจอย่างไรมีความทุกข์มีความกังวลใจอย่างไรมันก็หลุดออกมากระเด็นออกมามาอยู่ข้างนอกเนี่ย เราก็มานั่งร้องไห้อยู่ในงานศพตัวเองมานาศพตัวเองนั่นแหละมันก็ยังมาทุกข์อยู่อย่างนั่นแหละคนทั้งหลายเผาศพเสร็จแล้วเจ้าตัวยังร้องไห้อยู่ในงานศพตัวเองมันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะไปยังไงจะอยู่อย่างไรตอนมีชีวิตอยู่ยังมีคนนุ่นปอบคนนี้ปอบยังมีคนนุ่นให้ยังมีโทรศัพท์มือถือให้เล่น แชทเล่นลน์กันแต่ในโลกนั้นไม่มีโทรศัพท์มือถือให้เล่นแชทเล่นไลายนะไม่มีใครละปลอบใจเราในโลกนั้นเป็นโลกแห่งความทุกข์โดยแท้ที่จริงเเราเป็นทุกข์ยังไงยูนก็ออกมาเป็นทุกข์ยังไะ เสรแล้วมันจะทุกยิงกัานั่นมาตอนที่ก็ฉุดกระชากลากไปเนี่ยเดยวโนลงโทษเขาก็เอามาแล้วเอาสามงามมาฉุดกระชากลากไปไม่เห็นมีใครยอมไปสักคนตนน้นนึงก็ฉุดกระชากอีกตนน้นนึงก็เอาสามงามแทงไปลากไปปุเลง่งปุริ่งร้องหง่มร้องไห้ขอความช่วยเหลือจากคนนั้นคนนี้แต่ไม่มีใครก็จะช่วยได้หรอก ตัวของตัวไม่ช่วยตัวเองอ่ะไม่ช่วยตัวเองในปัจจุบันช่วยปล่อยวางหน่อยในใจยังติดอะไรอยู่ล่ะตัวสักคน่ในใจยังติดอะไรตระเกตให้มันดีๆพิจารณาดีๆเราก็จะรุดหลวงเราเองเน่ที่ร้องห่มร้องไห้แบบเผาล่างกูทําไมเผาล่างกูทําไมเผาล่างกูทําไม จะร้องไห้ตีโพยตีพายแม้แต่ยมบรทูกสองตนช่วยกันฉุดกระชากลากเอาไว้เข้าไปไม่ได้แล้วไฟกํลาลังไหม้ล่างอยู่ก็จะร้องโหม่ร้องไห้ตีโพติีพายวิจะวิกลับเข้าไปสู่ล่างร้องผม่ร้องไห้ว่าเผาล่างกูทําไมเผาล่างกูทําไมมือนกัว่าบ้านที่ถูกไฟไหม้แต่ของรักอยู่ในบ้านนั้นคือเช่นลูกติดอยู่ในบ้าน คนทั้งหลายก็พยายามที่จะฉุดล้างไม่ให้เข้าไปเพราะว่าตายถ้าเข้าไปก็ต้องตายแต่ก็จะสะบัดดิ้นลนตลอดตลอดเวลาจะเข้าไปช่วยลูกติดอยู่ในบ้านเข้าไปก็ต้องตายอย่างเดียวในโลกนั้นมันเป็นโลกแห่งความทุกข์โดยแท้ทจริงโลกแห่งความทุกข์เราต้องรีบช่วยตัวเราเองตั้งแต่ตอนนี้นะปล่อยวางตอนนี้ ก็แม่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านท่านก็นไปเผาศพพระอรหันต์มาหลายองค์ท่านไม่ห่วงย้ายไม่ทุกข์ตกเศร้าวเสียใจกับอะไรเพราะท่านในติดอยู่ในร่างนั้นนะะไอ้ร่างนั้นคือยอย่างไรนะไอ้ร่างที่เป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี่นะที่ไปคิดอะไรให้เป็นทุกข์ที่ไปยึดอะไรให้เป็นทุกข์นั่นแนหะคือไอ้ร่างที่โปร่งแสงเนะี่ยที่มันไม่ดับถ้าวิญญาณเนี่ยมันไม่ออกจากร่างนั้นมันไม่ดับ อัล่างนั้นมันไม่ดำแล้มันคุกมากเลยเบื้องหลังของความตายเนี่ยเราเห็นมันเยอะแล้วแต่ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านสามารถออกมันได้ด้วยความสามารถของท่านเลยเพราะท่านไม่ติดแล้วไม่ติดอะไรอตอน ม, มีชีวิตอยู่ก็ไม่ติดนี่ไงไม่ติดเองไอตัวเราเนี่ยที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ ที่มันปรุงแต่งไปในอาการต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าจิตกสังขารเนี่ยที่มันอยู่กับกายกะสังขารเนี่ยท่านไม่ยึดเอากายกรสังขารเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราแล้วท่านก็ไม่ยึดเอาจิตกสังขารไอ้กายที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราพอท่านเนี่ยหลุดพ้นจากกายกระสังขาร หลุดพ้นจากจิตากสังขารท่านเลยเป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากความอาวิชชาหลุดพ้นจากอาวิชาเรียกว่าอาวิชาดับไปตินความหลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดทั้งหมดไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนเองไม่ยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของตัวเองที่เรียกว่าเป็นจิตจสังขารหรือกายจิต ท่านไม่ยึดมั่นถืมั่นมีแต่ความรู้สึกและคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วกระดับไปเกิดขึ้นแล้วกระดับไปเกิดขึ้นแลกระดับไปไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นไม่มีผู้ลองรับท่านก็เลยหลุดพ้นไปเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เป็นวิญญาณธาตุที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรเลยไม่มีใครจะหักหาเขาพบได้ เพราะท่านสามารถหลุดพ้นจากกายสังขารและหลุดพ้นจากจิตสังขารไปเป็นพุทธะหรือไปเป็นวิญญาณธาตุที่ปราศจากอาวิชชาแล้วกลับไปเป็นธาตุดันเดิมคือความบ้างเปล่าเช่นเดียวจักกวางแล้วหายตัวไปดังพระโคติกะที่เชื่อดคอตายยมมทูตมารอเอาวิญญาณของพระโคติกะไปลงโทษ เพราะว่านี่เก่ายังใช้ไม่หมดแล้วก็ฆ่าตัวตายต้องไปใช้นี่ใหม่คือต้องไปฆ่าตัวตายอีก5 0าร้อยชาติแต่เมื่อขั้นพระโคติกะเชือดคอตายเลือดไหลนองออกมาเกิดปงสลดสองเวทสิ้นความหลงยึดมั่นจืดบั่นในกายเนื้อและในความรู้สึกในกิจอารมณ์ที่มันเจ็บปวดทุกทรมานมากเพราะท่านเป็นโลกลายเจ็บปวดทุกทรมานทนกับสงขาร่างกายที่เจ็บปวดไม่ไหว ท่านบรรลุอาหารหันต์ในขณะที่เจียดขอตายพอตายแล้วยมาทูดมาลอเฝ้าตั้งแต่ตอนเจียดขอแต่พอตายแล้วหากายโปร่งแสงหรือรูปวิญญาณของพระโคติกะไม่เจอหาอย่างไรก็หาไม่เจอก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าตูนถามพระพุทธเจ้าว่า วิญญาณของพระโคติกะหายไปไหนเนี่ยหาไม่เจอจะเอาไปลงโทษพระพุทธเจ้าตัดว่าพระโคติกะบรรลุอราหันต์แล้วบรรลุปนิพานแล้ววิญญาณของพระโคติกะดับไปเหมือนด่งเปลวไฟที่ทิ้นเชื้อหรือเหมือนด่งเปลวเทียนที่อยู่ต่อหน้าและถูกเป่าดับพึบหายไปกลายเป็นความว่า ไม่มีใครจะเอาวิญญาณของพระอหรหันต์ที่บรรลุพระนิพพานไปแล้วได้เพราะหายตัวไปเลยถ้าเนี่ยไม่ยึดตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่แล้วพอตายแล้วมันก็หมดแค่นั้นแหละแต่ถ้าเรายังยึดอะไรให้เป็นทุกข์ไว้ในใจได้แสดงว่าใจมันก็ไม่ว่างเปล่าถ้าเราไม่ยึดอะไรมาไว้ในใจ ใจมันก็โลงว่างเปล่าแต่ถ้าเรายึดเอาอะไรมาไว้ในใจมันก็มีแต่ความทุกข์ใจมันก็ไม่วา่าวิญญาณมันก็ไม่ดับนะวิญญาณมันก็ไม่ดับเขาก็เอาไปลงโทษได้เอาไปพิพากษาได้ในปัจจุบันยังทุกข์อย่างไงตายแล้วก็ยังทุกข์อย่างนั้นตายแล้วก็ยังทุกข์อย่างนั้ น, นโลกนั้นเนี่ยน่ากลัวมากมีแต่เรื่องของความทุกข์กตกเล้า ใจแม่วางได้ก็ต้องวางแต่ปัจจุบันนี่แน่จะไปคิดว่าจะวางเขาหน้าถ้าเางปัจจุบันนี่วางไม่ได้เขาหน้าก็วางไม่ได้วางเดี๋ยวนี้เลยมันไม่รู้ว่าจะมีวันพวกนี้หรือเปล่าเพราะมันเป็นของไม่แน่นอนชีวิตวันนี้หลับตาลงไม่รู้พวกนี้จะได้ตื่นหรอเปล่าความจริงมันเป็นอย่างนี้ไงในโลกนั้น เอาความจริงมาเปิดเผย ใ, ให้มันเห็นชัดๆมันจะเรียนรู้เพิงว่ามันจะหลุดพ้นได้อย่างไรเหตุใดเราจึงไม่หลุดพ้นตรงนี้เนี่ยแปัจจุบันเราหลุดพ้นจากทุกข์หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมัน่นตายแล้วเราก็หลุดพ้นจากทุกข์ไม่มีใครเอาเราไปลงโทษได้จิตวิ ญ, ญญาณทั้งหลายก็หายตัวไปเลยหายไปเป็นอย่างเดียวกับธรรมชาติ ตอนที่ใครดูนังเรื่องพระเจ้าหมาสอดสตาโลกที่พระเจ้าพูดกับอาจารย์ของท่านคืออุทกดาบทว่าเราจะสามารถพ้นทุกข์ได้ในสภาพวิจิตตื่นโดยไม่ต้องเข้าชานหนีไปได้ไหมอุทกดาบทได้กล่าวว่าเราจะสามารถพ้นทุกข์ได้โดยสิ้นเชิง แต่เราจะต้องไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเราจะสามารถพ้นทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเพราะอะไรอ่ะเพราะในธรรมชาติเขาไม่ยึดกันดินเขาก็ไม่ยึดฟ้าเนี่ยไม่ยึดอากาศเรานั่งอยู่เนี่ยพื้นดินก็ไม่ยึดอากาศอากาศก็ไม่ยึดพื้นดินเนี่ยน้ำก็ไม่ยึดอากาศไม่ยึดพื้นดิน พื้นดินก็มายึดน้ำน้ำจะตกมาขัางเท่าไหร่พื้นดินก็มายึดน้ำแสงแดดก็มายึดลมธรรมชาติเขาไม่ยึดซึ่งกันและกันมีแต่ให้ประโยชน์แก่มวลกัสรรพสัต์ทั้งหลายเขาไม่ยึดซึ่งกันและกันเขามีแต่ให้คุณประโยชน์ตราบใดเมื่อใจของเราเนี่ย มีแต่การเมตตาและให้คุณประโยชน์ต่อผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นได้ยิมีสุขพ้นทุกข์ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นจากทุกพ้นจากทุกมีความรักกว่าเมตตาต่อผู้อื่นไม่ใช่รักเพราะความเป็นเจ้าของถ้า ม, มีความรักเพราะความเป็นเจ้าของมันเป็นตันหามันมีความหึงหวงมีความน้อยใจมีความคับแค้นใจ มันมีความผูกพันมีความเจ็บปวดแต่ถ้าความรักกับความเมตตาต่อทุกคนต่อเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่ประกอบไปด้วยความเมตตาที่ปรารถนาให้คนทุกมันจะไม่มีความเจ็บปวดอะไรมันจะไม่มีความทุกข์อะไร เพราะมันมีแต่ความปรารถนาให้ตนเองและคนที่เรารักพ้นจากทุกข์ปรารถนาให้ตนเองพ้นจากทุกข์แล้วมันจะไปรักใครที่ทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ละเพราะมันปรารถนาให้ตัวเองพ้นจากทุกข์เสียก่อนแล้วมันก็เลยปรารถนาให้คนที่เรารักเนี่ยพ้นจากทุกข์ตอนที่พระพุทธเจ้ามาพบกับพระนางพิมพาพระนางพิมพาต่อว่าพุทธเจ้ามา ว่าทำไมพระเจ้าจึงทอดทิ้งไปลูกเกิดมากวันแรกพุทธเจ้าก็นหนีไปแล้วมีความผิดอะไรทําไมพระเจ้าจึงใจร้ายพระเจ้าไม่กล่าวว่าไม่ได้จากไปเพราะความรังเกียจแต่จากไปเพราะความรัก จากไปประความรักถ้าพระ อ, องค์ไม่พ้นทุกข์นามพิมพาก็ไม่มีทางพ้นทุกข์ราหุนก็ไม่มีทางพ้นทุกข์เพื่อนร่วมโลกก็ไม่มีทางพ้นทุกข์เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดก็ไม่มีทางพ้นทุกข์พระ อ, องค์จึงสละความทุกขทั้งหมด เลยแสวงหาความพ้นทุกข์อย่งพ้นทุกข์เอพ้นทุกข์แล้วก็กลับมาช่วยตางพิมพพาลาหุนและพ่อพระเจ้าสุโธ ท, ทนะจนบรรลุอรหันต์หมดทุกท่านรวมทั้งนางประชาบดีที่เป็นแม่แม่เลี้ยงก็บรรลุอรหันต์หมดญาติพี่น้องบรรลุอรหันต์หมดเลย ไม่ว่าจะเป็นพระอุปทาหรือพระอ น, นุนพระอนุรุทธเถระทั้งหมดหญาติพี่น้องทั้งหมดะที่มาบวชหาคนหาองลุ่ยอรหันหมดทุกองแม้แต่ผู้หญิงที่เป็นฝ่ายญาติของพระองค์ญาติพี่น้องพระองค์บรรลุอลหรหันทั้งหมดก็เพราะว่าพระองค์ยอมเสียตลาดสกกรพระองค์ ปรารถนาให้ตัวเองเป็นถูกข์รักตัวเองและรักผู้อื่นเป็นความรักที่ประกอบไปด้ความเมตตาไม่ใช่ความรักที่แสดงความเป็นเจ้าของความรักแสดงความเป็นเจ้าของมันเจ็บปวดมันมีความหึงหวงมีความน้อยใจเราต้องเปลี่ยนความรัก เป็นความรักด้วยความเมตตาปัจจัยรักครอบครัวรักพี่รักน้องรักคนอื่นเป็นความรักด้วยความเมตตาแนะวเราต้องรักตัวเรเองมากๆรักตัวเราเองมากคืออะไรช่วยให้ตนเองพ้นช่วยปล่อยวางสิ่งใดพิจารณาแล้วมันมันคลั่งอยู่ในใจไม่ไหว จะมายึดใด้เป็นทุกข์จ ย, ยึดถ้าเราเป็นทุกข์แล้วคนทังโลกนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นทุกข์ได้ต่างต่อว่างเราจะช่วยคนที่กางเกลียนให้เขาเป็นทุกข์ได้แต่ถ้าเราไม่รู้วิางที่จะเป็นทุกข์ได้เราจะช่วยใครแต่แม้ตัวเราเองอะ่ะเรายังช่วยตัว เ, เองอเป็นทุกข์ไม่ได้ เราจะไปช่วยใครคนทุกใจเราต้องช่วยตัวเราเองก่อนปล่อยวางหมดเมื่อไหร่เลยใไดีปล่อยวางก็ปล่อยวางมันเป็นแต่ความคิดปรุงแต่งมันเป็นแต่เพียงความคิดปรุงแต่ง ใจมันเป็นความว่างเปล่าไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างมันไปยึดอะไรไม่ได้มันติดอยู่ในความคิดทั้งรักทั้งทางมันติดอยู่ในความคิดมันติดอยู่ในความคิดในความคิดเนี่ยเนี่ยมันเป็นกายจิตแตสังขารเป็นกายปรงแตงพ้าเรายังติดอยู่ในความคิดมันก็เลยติดอยู่ในในกายซึ่งเป็นกายปูงแตง เราต้องหลุดพ้น่ะหลุดพ้นจากจิตแต่สังขารหลุดพ้นจากความคิดตสงแตงมาเป็นผู้รู้เป็นผู้ท้าไม่ไหวไปจิตจะคิดจะไหวตัวไปอย่างไรแต่ใจไม่ไหวตัวไปตามแม้จิตจะคิดอย่างไรใจก็ไม่ไหวตัวไปตามเห็นดีอย่างเนี้ยเห็นว่าผู้คิดก็คนหนึ่งผู้รู้ก็เป็นอีกตนหนึ่ง คือผู้รู้เนี่ยไม่มีตัวตนแต่เปรียบเหมือนว่าผู้คิดก็เป็นตนตนหนึ่งผู้รู้ก็เป็นอีกตนหนึ่งผู้คิดผู้นึกผู้ตึกผู้จองผู้ปรุงแต่งผู้มีอารมณ์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้อาจารครับคือ พอเวลาเริ่มคิดที่จะปฏิบัตินี่มันก็รู้สึกว่าจะวางท่าแล้วก็จะเพ่งจะเข่งเครียดขึ้นมาเลยครับเวลาตัวเองไปปรงแต่งเอาตัวเองไปวางท่าเอาตัวเองไปพยายามให้ตัวเองเป็นอะไรมันไม่เห็นว่าเราปรงแต่งความรู้สึกว่าเป็นตัวเองเป็นตัวเราพอเราจะวางท่าเราจะทำไงช่วยตัวเราให้ให้พ้นทุกข์ไอความรู้สึกหรือความคิดปรงแต่งว่าเราจะช่วยตัวเราเองอย่างไร เราจะปฏิบัติอย่างไรไอความคิดปรุงแต่งที่พยายามจะช่วยตัวเองมันเป็นความคิดปรุงแต่งไอตัวเองก็ไม่มีตัวเองหรอกเพราะมันเป็นความคิดปรุงแต่งส่วนไอผู้รู้มันพูดไม่ได้มันคิดไม่ได้มันตึกต้องไม่ได้ไอผู้รู้ที่มันคิดนึกตึกตองได้มันเป็นความปรุงแต่งไอผู้รู้นั่นก็เป็นความปรุงแต่งแต่ผู้รู้ที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติเป็นนิพพานธาตุเป็นสุญญตาธาตุชื่อบอกแนะว่าสุญญตาธาตุ มันมีความคิดปรุงแต่งแต่เราไปเอาไอ้ตัวที่ตัวเราเนี่ยเป็นไอ้ตัวที่คิดปรุงแต่งเป็นตัวเราหรือเราปรุงแต่งตัวเราไว้ว่ามีเราเป็นตัวเราแล้วเราพยายามจะช่วยตัวเราเราก็เอาตัวเราไปเพ่งไปจ้องไปปล่อยไปวางไปละแต่ตัวเราที่เราปรุงแต่งไว้จะช่วยตัวเรานี่ยต้องดึงเอาตัวเราไปแสดงพฤติกรรมพฤติแห่งจิตที่น้ำปูดุงใช้คำว่าพฤติแห่งจิตล้วนแต่มันเป็นความปรุงแต่งด้วยกันทั้งหมดตัวเราจริงๆไม่มีเราเลยไม่เห็นว่าตัวเราเนี่ย มันปรุงแต่งเป็นตัวเราไว้เราก็เลยพยายามที่จะเอาปรุงแต่งตัวเราเนี่ยไปเชื่อตัวเรารู้จะเข้าใจหรือเปล่าพูดไปพูดมาจ้วนอเกี่ยวกับว่าอสไม่มีสติขาดสติหรือว่าสติช้าไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับปล่อยให้หลงปรุงแต่งเออจริงๆแล้วความสงบใจไม่มีเราไม่มีความสงบใจเราก็เห็นสิ่งที่ไวไว ความคิดปรุงแต่งไปแต่ตัวเราไม่ไหวไปตามในใจเราเนี่ยมันมีความไหวไหวไหวไหวอยู่ตลอดเวลาคือความคิดปรุงแต่งความนึกความคิดความตึกความตองมันพูดบนงุมหิ้งงุมิงุมิ้มมมมตึกตองหาวิธียางนั้นตึกตองหาวิธียางนั้นแต่ใจเราไม่ไม่ตึกตองตามไปไม่คิดตามไปเพราะใจไม่มีตัวตนมันตึกตองไม่ได้มันคิดไม่ได้แสดงกริยาการไม่ได้ เรายังสังเกตไม่เห็นว่าในความปรุงแต่งมีความไม่ปรุงแต่งอยู่ตรงนี้คือสําคัญมากมันเปรียบเหมือนคนที่เคยดูหนังกำลังภายในหรือดูหนังพวกนินจาภนะายในจิตใจเราจะเป็นอย่างนั้นแหละคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่มันเคลื่อนไหวเร็วๆคือความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวเร็วที่สุดในใจเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ความรู้สึกต่างๆมันเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่เกิดดับอยู่ในใจแต่กลางใจเนี่ยแหละมันไม่เคลื่อนไหวในหนังกำลังภายในเนี่ยพระธิดเป็นปรามาจารย์สื่อแปลที่เป็นแต่งชุดขาวหนวดเขายาวเนี่ยที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นผู้ที่มีวิทยายุทสูงสุดเนี่ยผูกล้อมด้วยผู้ที่มีกําลังภายในสูงสุดคือความคิดปรุงแป่งนี่แหละแต่ในก้นบึ้งลึกของหัวใจไม่มีอะไรเคลื่อนไหว ไม่ว่าสิ่งนี้ที่อยู่เคลื่อนไหวรอบคนชุดขาวจะเคลื่อนไหวเร็วปานใดแต่คนชุดขาวที่อยู่กลางวงล้อมไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวแม้แต่นิดเดียวทุกอย่างมีแต่ความสงบเงียบมากจริงๆแม้แต่ความเคลื่อนไหวรอบตัวเขาจะเร็วปานใดแต่คนชุดขาวท่าในใดไม่เคยเคลื่อนไหวแม้แต่นิดเดีย ว, เ, ยวเหตุเพราะเขาไม่เคลื่อนไหว เขาจึงรับรู้ความเคลื่อนไหวได้ทั้งหมดแต่ถ้าหากเขาเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถรับรู้ความเคลื่อนไหวได้ทั้งหมดนี่คือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเวลาเราอยู่บนยานพาหนะที่เคลื่อนไหวแล้วเราก็มองเห็นสิ่งทั้งหลายเคลื่อนไหวเช่นเราอยู่บนรถไฟที่มีความวิ่งความเร็วสูงเราบอกว่าต้นไม้มันไหวๆๆๆๆมากเลย อู๋ต้ไมต้นไม้มันวิ่งวันไหวไหวไหวผ่านรถไฟไปเร็วสูงมากเลยแต่ตัวเรารู้สึกว่าตัวเราไม่เคลื่อนไหวเพราะเราอยู่บนรถไฟที่มีความเร็วสูงแต่ปลึกลามบ้านช่องต้นไม้เคลื่อนไหวไปด้วยความเร็วสูงเป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าเราเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงเราจะมองเห็นอย่างอื่นเคลื่อนไหวถ้าเรากลายไปเป็นจิตที่เคลื่อนไหว เราจะมองเห็นว่าเราอยู่แต่ที่แต่อย่างอื่นเคลื่อนไหวตัวเราต้องไม่เคลื่อนไหวเราจึงรับรู้สิ่งที่เคลื่อนไหวตามความเป็นจริงแลาจะรอดพ้นจากความเคลื่อนไหวได้สิ่งที่เคลื่อนไหวได้จึงมีคำของของพระอรหันต์ในก็ว่าความสงบจะหยบความเคลื่อนไหวใจเราเนี่ยมันไม่มีความสงบเหลืออยู่ในส่วนของความสงบเรามีแต่ความเคลื่อนไหว เรจึงไม่พบสัจธรรมความจริงอันนี้หมายความว่าต้องไปฝึกทางความสมบอย่าเนียบขรึมความสงบก็ไม่ได้ทาไม่ได้เข้าใจว่าเราต้องไปทําให้จิตเรานิ่งนิ่งเงียบเงียบโดยที่ไม่มีความคิดอะไรเพียงแต่สังเกตเห็นความเคลื่อนไหวภายในใจเราอยู่เงียบเงียบเงียบเชี่ยวที่สุดโดยไม่ใช่ว่าไปทําให้ภายในจิตใจเราเนี่ยไม่เคลื่อนไหวอะไร เขียนแต่เราไม่เคลื่อนไหวแต่ภายในจิตใจเราเนี่ยจะเคลื่อนไหวปานใดแต่เราไม่เคลื่อนไหวถ้ากรณีนะั้นไม่เคยเคยเท่าที่ฝึกมามันก็จะมีบางครั้งที่แบบนั่งสมาธิไปแล้วก็อ่ดูความคิดที่คิดไ ป, ปนในเรื่องต่างๆอย่างเงี้ยครับคือไปทางความคิดบ้างคิดเรื่องโู้นบ้างแล้วก็มีสติกลับมาอย่างเงี้ยครับไม่ใช่กรณีงั้นคือเราหลงคิด คือเราหลงคิดไปแล้วเราเราก็รู้ตัวรู้ตัวทันแล้วเราก็กลับมาหลงคิดไปแล้วรู้ตัวรู้ตัวทันแล้วก็กลับมาหลงคิดไปแล้วรู้ตัวรู้ตัวทันก็กลับมาอย่างนี้มันมันยังไม่ใช่อย่างเงี้เป็นความหลงแล้วรู้ทันเรากลับมาหลงแล้วรู้ทันแล้วกลับมาอย่างนี้มันขาดสติเราต้องฝึกให้ไม่ขาดสติวิธีฝึกให้ไม่ขาดสติคือเราต้องมีเครื่องล่อไปก่อนอันหนึ่งอะไรก็ได้เช่นคําบริกรรมพุทโธพุทโธปากหลักไว้ แล้วเราก็อยู่กับหลักนั้นอย่าทิ้งสติคือความรู้สึกตัวให้อยู่กับหลักนั้นอย่าเคลื่อนไหวไปกับสิ่งใดปักหลักไว้ให้แน่นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วเห็นทุกคิดไม่ติดไปปักหลักไว้กลางใจให้มั่นคงพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วเห็นทุกคิดทุกอาการไม่ติดไปจิตเป็นอย่างไรได้แต่รู้ไม่หนีไม่สู้ อย่าไปหักล้างเขาอย่าไปทำลายเขาอย่าหลงตามไปอย่าทิ้งหลักอย่าทิ้งหลักคำบริการพุโทโธหรือว่าหลักอะไรก็ตามที่เราใช้เป็นเครื่องล่อจิตไว้อย่าทิ้งหลักแล้วหลงตามเข้าไปถ้าเราไม่ทิ้งหลักเราจะไม่เคลื่อนไหวแต่ถ้าเราเนี่ยทิ้งหลักไปเราจะกลายเป็นคนสิงเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวทันทีแล้วก็หลงไปเอาหลงไปแล้วรู้สึกโตขึ้นมาว่าหลงแล้วก็กลับมาอีกเอาหลงไปอีกแล้วแล้วกลับมาอีกลงไปแล้วก็กลับมาอย่างเนี้ยฝึกอย่างเนี้ยไม่ไปยังไงหรอก วิธีฝึกคือไม่ว่าความคิดอารมณ์ความรู้สึกเหมือนน้ําบ่าที่ไหลแรงน้ําป่าที่ไหลแรงตาใดก็ตามเราปักหลักไว้ในใจของเราให้มั่นคงเช่นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่ต้องผูกกับลมหายใจเขาออกไม่ต้องผูกกับเท้าที่ก้าวเดินพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้รู้สึกตัวไว้กับคำบริกรรมพุทโธจิตเขามีความคิดมีอาการอย่างไรบนอย่างไรงุ่มหยิมงุ่มหยิมงุ่มหยิมงุ่มหยิม อย่าไปไล่ดับเขาอย่าไปทำลายเขาให้แค่รู้ให้แค่รู้แค่รู้อย่าไปแทรกแซงอย่าไปทาลายอย่าไปกดข่มบังคับไม่ว่าจะมีอาการแน่นจุกอุดอัดมันจะเป็นจะตายอย่าไปสนใจให้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปแล้วเห็นว่าตัวเราเนี่ยมันบ่นอะไรมันพูดอะไรให้ปล่อยวางไปให้หมดแล้วเราก็จะเห็นว่าธาตุเราเนี่ยไม่ทิ้งหลักมีความรู้สิดตัวอยู่กับหลัก ไม่ว่าตัวเราจะบ่นยังไงจะพูดยังไงมันจะไม่มีความหมายต่อใจเข้าใจนะครับลองลองไปฝึกดูก่อนครับสาคัญมันตรงที่เราไม่เห็นตัวเองไม่เห็นว่าตัวเองพูดบน่นคิดบน่นตัวเองเนี่ยคิดติดตองซ้อนอยู่ตลอดเวลาหลายคนเราให้ทําแล้วก็บอกว่า อาจารย์ทำทำแล้วมันมันแย่มันแช่มันอึดอัดมันไม่สบายมันกระบ่นเง้มง้มเลมง้มันแย่มันแช่มันไม่สบายมันติดทำยังไงให้ไม่ติดทำยังไงมันแช่ทำให้ไม่แช่เอาแต่หลักอย่างอื่นไม่เอาเอาแต่หลักอย่างอื่นไม่เอา ไอ้ตัวเราจะบ่นจะแย่จะแช่งงุมงับงุมงังุ้มงังุ้มงับช่างมันเออทิ้งให้หมดเอาแต่หลักไว้พุทโธพุทโธพุทโธไอ้ตัวเราจะแย่จะแช่ยังไงทิ้งให้เกลี้ยงเลยทิ้งตัวเราให้เกลี้ยงเพื่อเราจะหลุดรอดจากตัวเรานี่แน่วิธีที่เราจะหลุดรอดจากตัวเราคือทิ้งตัวเราให้หมดแล้วหายไปในความว่างถ้าเราไม่ทิ้งตัวเราเนี่ยมันหายตัวไปไม่ได้ไอ้ทิ้งตัวเราเป็นไอ้ตัวที่เนี่ยอ่าเลอไปพุทโธจะแย่เลยติดแช่ แน่นอึอัดไม่สบายเดี๋ยวมันเราจะแย่เราจะแย่เดี๋ยวเราจะไม่สบายมันก็กล ง, งามงงาลงมาไม่ตัวเราเแต่แล้วเราก็เสียท่าทิ้งหลักแล้วมาช่วยตัวเราเราทิ้งหลักเลยแล้วทุกคนก็มาช่วยตัวเราเราก็เลยติดกับตัวเราไปแต่เนี้ยไม่รอดเลยกระเด็นรุดออกมาจากร่างกายเนื้อแล้วมานั่งร้องไห้อยู่ในงานศพตัวเองเพราะอะไรเราทิ้งหลักแล้วมาช่วยตัวเรา เราบอกว่าอยู่กับหลักแล้วทิ้งตัวเราไปเสียมันทําคนละเรื่องกันตรงกันข้ามให้อยู่กับหลักแล้วทิ้งตัวเราไปเสียหมดไอ้ตัวเราที่มันพูดมันบ่นมงักมันงักมันพยายามช่วยตัวเราไม่ได้ไม่ได้เด็กคืนทําอย่างอาจารย์ว่าจะจิตแย่มันจะมแช่แล้วมันแน่นมันจุกมันอึดอัดมันจะเป็นมันจะตายยังไงแต่ทิ้งตัวเราไปเสียหมดอ่ะเพราะไอ้ตัวเราเนี่ยจะพาตัวเราจมทะเลทุกแล้วเราอยู่กับหลักไว้ เมื่อเราทิ้งตัวเราหมดแล้วเนี่ยมันจะเป็นจะตายยังไงตัวเราทิ้งหมดแล้วตัวเราทิ้งแล้วเนี่ยเราจะหลักนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีความสําคัญต่อเราอีกต่อไปเมื่อเราทิ้งปล่อยวางตัวเราไปหมดแล้วเนี่ยหลักเนี้ยมันก็ถูกทิ้งไปเองแหละเพราะหลักเราเป็นคนปรุงแต่งเองเอ่ะเราเป็นคนปรุงแต่งหลักไว้เองอ่ะพอเราพ้นทุกข์แล้วเราจะอื พนทุกข์ก็คือปล่อยวางตัวเราไปเองหมดแล้วพ้นทุกข์แล้วแล้วใครอะตัวเราพ้นทุกข์แล้วยังพุทโธอยู่นั่นแหะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่มีใครหรอกมันนั่งพุทโธอยู่อีกไม่มีเพราะว่าผู้ที่พ้นทุกข์แล้วเขาเรียกว่าพุทโธหรือพุทธะพุทธะคือผู้ที่พ้นจากทุกข์แล้วผู้รู้ที่ไม่หลงแล้วผู้รู้พ้นแล้วนั่นเรียกว่าพุทโธหรือพุทธะ นั้นไม่มีใครมาบริกรรมพุโทโธอีกแล้วเพราะอันนั้นเป็นตัวสมมุติเขาถึงตัวจริงแล้วคือวิมุตติเขาก็เลยไม่ต้องการสมมุติอีกต่อไปใจมันก็ทิ้งไอตัวพุโทโธไว้ทิ้งไปเองไอตัวสมมุติเพราะเขาถึงผู้ทีพผแล้วอยู่ข้างตัวที่หลุดพ้นไปหมดแล้วไปพุทธะแล้วเนี่ยนั้นจะทิ้งหลักจะทิ้งหลักถ้าเราทิ้งหลักแล้วเสียหายหมดเลยเสียหาย เราจะทิ้งหลักได้ต้องเป็นผู้รู้ซะ ก, ก่อนคือผู้ไรไม่หลงกับตัวเราต่อไปที่มันบ่นของมึมันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้ไม่หลงกับตัวเราที่ไปเพลิดเพลินเจริญใจกับคนโน้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราขาดหลักไปเนาะเราไม่มีหลักไม่มีหลักใจทุกคนทิ้งหลักใจไป ในขณะที่ตัวเองยังเาตัวไม่รอดันจมน้ำตายอยู่แต่ทิ้งหลักใจไปหมดเรายังว่ายน้ำข้ามทะเลทุกไม่เป็นแต่เราทิ้งทุ่นเะแล้วเราทิ้งทุ่นที่จะเป็นตัวช่วยชีวิตเราให้เรารอดพ้นจากความทุกข์แล้วเราก็จมอยู่กับทะเลทุกทั้งวันเราทิ้งทุ่นไปเราเลยจมทะเลทุกเราทิ้งทุ่นในขณะที่เราว่ายน้าไม่เป็น ถ้าเราปล่อยวางตัวเราหมดแล้วเราก็จะพ้นจากทุกข์เมื่อเราพ้นทุกข์แล้วเราว่ายน้ําเป็นขึ้นฝั่งได้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้ทุนอีกต่อไปแล้วเราก็ว่ายน้ําขึ้นทะเลทุกในตัวของเราเองเราบั่นใจเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมีหลักไว้ก่อนเราทิ้งหลักเมื่อไหร่ก็จมทะเลจมทะเลทุกมีความทุกข์ตกเฝ้าเสียใจครับแก้ใจหมดมองมีปัญหากับคนนั่นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ เราทิ้งไปนี่กรณีหนึ่งที่เราเป็นห่วงที่ว่าไปปฏิบัติแล้วไม่เข้าใจเดี๋ยวออกไปเดินก็ไปทำผิดแล้วเพราะอะไรทาผิดคืออะไรเพราะไปมีหลักเข้ามาอย่างไม่ว่าจะเอาหลักนั้นเป็นหลักอะไรขึ้นพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธและทิ้งอย่างอื่นทิ้งให้หมดเอาหลักอย่างเดียวทุกกิริยาการทุกคิดทุกกิริยาการทิ้งให้หมดปล่อยวางให้หมด ปล่อยวางตัวเราผู้คิดผู้นึกผู้ตึกนผู้ตรองมันจะฟุ้งซ่านหรือมันจะสงบยังไงอ่ะทุกกิริยาการทิ้งให้หมดเอาแต่หลักอย่างเดียวคือพุทโธพุทโธจิตจะฟุ้งซ่านยังไงก็ปล่อยวางไปให้หมดจิตจะสงบยังไงก็ตามปล่อยวางมันไปให้หมดไม่เอาอย่างอื่นนอกจากหลักเลยตัวเราจะสงบตัวเราจะฟุ้งซ่านตัวเราจะแน่นตัวเราจะโปง่งตัวเราจะโล่งตัวเราจะสบายตัวเราจะทึบๆตัวเราจะ อย่างไรก็ตามทิ้งตัวเราไปให้หมดเอาแต่หลักไว้พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธถ้าเข้าใจตรงกันอย่างเนี้ยมันก็ง่ายในการปฏิบัติแต่แต่เราออกไปปฏิบัติไป แ, แล้วเดินกลับมาถามไปแล้วอาจารย์ทำไมพุโทโธแล้วใจมันไม่นิ่งสัทีอ่าไหนว่าจะเอาหลักแล้วทำไมมาเอาใจนิ่งไงอ๋อเดี๋ยวเอาเลยแต่ละคนเนี่ยมันไม่พูดหลักแต่พูดจะเอาอาการของใจ เราบอกให้เอาแต่หลักอย่างอื่นทิ้งหมดทุ ก, กริยาการทิ้งหมดไม่ว่ามันจะนิ่งมันจะว่า ง, จ ะ, างจะโล่งจะโปร่งจะเบาจะสบายจะแน่นจะอัดจะทึบจะแช่จะแย่ทิ้งให้หมดตัวเราเนี่ยที่มันเป็นอะไรทิ้งให้หมดไปวางตัวร้อยหมดเอาหลักอย่างเดียวอย่างอื่นทิ้งหมดคือพุทโธอย่างเดียวเอาหลักอย่างเดียวอย่างอื่นทิ้งหมดตัวเราเป็นยังไงทิ้งหมดเดี๋ยวมากอาจารย์ทไมมันเป็นอย่างงู้นะ ทำไมมันเป็นอย่างนี้นะทำไมยังเป็นอย่างเงี้ยเออมันทิ้งหลักหมดจะไปเอาอาการเนี่ยถ้าเข้าใจตรงกันเนี่ยมันง่ายแต่มันเข้าใจไม่ตรงกันเออตอนนี้เราก็ปฏิบัติให้เข้าใจตรงกันสักก่อนเพราะเรื่องนะมีเวลาเนี่ยหลายคนมานอนที่นี่เลยก็มีเวลาถ้าเอาแต่หลักอย่างอื่นทิ้งหมดเพราะยังอื่นทิ้งหมดก็ทิ้งตัวเรานเนี่ยนะไอ้ทิ้งกายเนื้อเนี่ยและไอ้กายเนื้อเนี่ยมันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรไง มันแน่นมันจุกมันอุดดัดมันแช่มันแย่มันนิ่งมันเงียบมันสงบมันฟุ้งคลานไอ้ตัวเรานสารพัดจะมีอาการทิ้งให้หมดทิ้งตัวเราให้หมดเอาแต่หลักไว้เมื่อเราทิ้งตัวเราหมดแล้วเนี่ยเราก็พ้นทุกไอ้ทิ้งตัวเราที่มันสารพัดจะพูดจะบ่นจะมีอาการเนี่ยพอเราทิ้งตัวเราหมดแล้วมันก็พ้นจากตัวเราเงยพ้นทุกพอพ้นทุกแล้วก็ไม่มีใครจะต้อไปก่อนหลักไว้มันทิ้งหลักไปมันก็เลยเหลือแต่ความพ้นทุกรู้ว่าบัดนี้พ้นทุกแล้ว อยู่กับความรู้อยู่กับรู้รู้อะไรก็รู้ว่าพ้นแล้วรู้พ้นที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ถามว่าอยู่กับอะไรอยู่กับรู้อยู่กับรู้รู้อะไรก็รู้พ้นนี่นะรู้พ้นรู้พ้นแล้วรู้พ้นอะไรก็พ้นจากตัวเรานี่ยไงไม่ได้พ้นจากอะไรเลยพ้นจากตัวเราก็เลยพ้นจากอย่างอื่นด้วยเพราะไอ้ตัวเราเนี่ยมันไปมีปัญหากับอย่างอื่นพอพ้นจากตัวเราเลยก็หมดปัญหาจากอย่างอื่นไอ้ตัวเราเนี่ยมันเข้าไปมีปัญหากับคนอื่นไปมีปัญหากับอย่างอื่น เราหลุดพ้นจากตัวเราเลยก็หมดปัญหาจากคนอื่นไปด้วยหมดปัญหาจากโลกนี้ทั้งหมดตัวเราเนี่ยเจ้าปัญหาเราหลุดพ้นจากตัวเราเลยหลุดพ้นจากปัญหาทั้งหมดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดใครไม่กระจายซักให้กระจายสมมุติว่าถ้าฝึกเป็นพุทโธพุทโธไปอย่างนี้นี่จะฝึกตอนไหนได้บ้างครับ ในชีวิตประจำวันไม่สามารถบริกรรมพุดทอไปด้วยอะไอย่างนี้ได้ตลอดเวลาตลอดเวลาตลอดเวลาเลยต้องฝึกให้เคยชินด้วยใช่หครับเพราะว่ารู้สึกว่ายังไม่เคยชินเคยพยายามจะฝึกเหมือนกันแต่ว่าพอมันหายไปปุ๊บเราก็ปล่อยให้มันหายไปเลยก็ไม่ได้กลับมาบริกรรมอีกก็นี่เนี่ยเราปฏิบัติกันมันไม่เห็นผลก็เพราะว่าเราทิ้งหลักไปเอาอยางอื่น เราทิ้งหลักไปเอาไปเอาเรื่องโลกโลกแต่เราไม่เอาหลักแต่เรากลับทิ้งหลักไปเอาเรื่องโลกโลกมันก็เลยเกิดความเสียหายเนี่ยเราต้องเอาหลักแต่ทิ้งอย่างอื่นหมดในใจเราแล้วเราก็จะพ้นจากทุกข์ได้เดี๋ยวลองไปทําดูก่อนครับเข้าใจตรงกันไม้มอะ เอาไหนทบทวนหน่อยสิหรือจะออาไปทําดูแล้วจะปฏิบัติยังไงเอาทวนหน่อยทบทวนหน่อยก็คือเอาหลักอย่างเดียวอย่างอื่นทิ้งหมดครับเออครับจะพูดนี้ไว้นะหลเอาหลักอย่างเดียวอย่างอื่นทิ้งหมดเดี๋ยวกลับมาเลื่อยๆเอยวเดี๋ยวเอาอย่างอื่นนะเดี๋ยวกลับมาแล้วอาจารย์ทําไมมันเป็นอย่างงู้นอ่ะทําไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะเอาไหนว่าเอาหลักแต่แล้วจะเอาอะไรอาจารย์ทําไมมันไม่สงบล่ะเอาไหนบอกว่าอาจารเอาหลักแล้วมาเอาสงบอีกแล้ว อาจารย์น alive, him, says, ั ludzi, ้นไม่เห็นฝ่ายฟุ้งซ่านทะเทียมันชอบคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เราบอกให้เอาหลักไม่ได้บอกว่าไม่ให้คิดถึงคนนั้นไม่ให้คิดถึงคนนี้มันจะคิดถึงใครก็ช่างเราเอาหลักอย่างเดียวอย่างอื่นทิ้งหมดมันจะคิดถึงใครเราก็เอาหลักอย่างเดียวอย่างอื่นทิ้งหมดเราไม่ได้บอกว่าพอพุทโธแล้วไม่ให้คิดถึงคนนั้นไม่ให้คิดถึงคนนี้มันจะคิดถึงใครเราก็จะเอาหลักอย่างเดียวนั่นแหละเราไม่เอาอย่างอื่นจะคิดถึงใครก็ช่างเขาเราเอาหลักอย่างเดียว อ๋อตรงกันไหมอย่างเงี้ยือระหว่างที่อาจารย์อธิบายผมก็พูดโทไปด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวเขไปฟังเราสิอนยะ่าเนี้ยฟังก่อนชัดกก่อน <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราไปทบอืมอ๋อให้ทุกคนฟักตรงนี้ก่อนหรือจะซักตรงไหนก็เอาให้ันเข้าใจซะก่อนแล้วลูกออกไปกไปปฏิบัติอือคนมาใหม่อ่ันนี้ไม่เคยเลยไม่เคยมาอ๋อฟังรู้เรื่องมั้ยเนี่ยอ๋อรู้เรื่องไม่รู้เรื่องซัก ชื่ออะไรบอกชื่อก่อนบางทีมาใหม่ไม่รู้จักนะชื่อนิ่มนิ่มอะไร ก, ะก็ตามก็ลองตาพูดถึงเรื่องพุดโธก็เลยนึกถึงตอนเมื่อเมื่อหลายเดือนก่อนเคยลองพุดโธแต่ว่าพุดโทตอนเข้านอนนะคะแล้วครั้งมันมันก็พุดโธไปถึงไปถึงเช้าเลยแล้วคือไม่ได้นอนไม่รู้ทําผิดอะไรหรือเปล่าตั้งแต่นั้นก็เลยไม่ค่อยกล้าพุดโธรเพราะว่ามันจะเพลียมากเลยะะแล้วปรากฏว่ามันก็ว่ า, วามัน มันตื่นทั้งคืนเลยอะออก็ดีแต่ก็อยากให้ตื่นกันอย่างนั้นน่ะแหละค่ะอืมแล้วแบบตื่นมาหมดแบบสโลสเลย์มากเลยค่ะเราหลับตาไปสิอย่าลืมตาหลับตาพุทโธไปตอนนั้เออหลับตาพุทโธไปมันก็ไม่ตื่นแล้วเราหลับตาแล้วนี่ก็ถือว่าไม่ตื่นแล้วข้างในอะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าไม่เคยหายเลยแนะครูรู้ก็ไม่เคยหายมันรู้ตัวอยู่หลักๆเข้ามันเหมือนไม่ได้นอนเลย นอนก็นเหมือนไม่ได้นอนนเวลาไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นไงมานอนไม่ค่อยหลับหมอก็เลยยานอนหลับมามาฉันพ็ไปบอกหมอว่านอนไม่ค่อยหลับหมอบอกว่าเอาให้ยานอนหลับมาเอห อ, ห, อหมออีกองดูหมออคนนึงบอกว่าอาจารย์ยานี้เขาปกติก็ฉันเม็ดเดียวเขาให้อาจารย์ตสองเม็ดเด้อเ อ, องว่าสองเม็ดกับสองเม็ด ฉันเข้าไปมันไปตีกันอยู่ข้างในเพราะข้างในมันไม่หลับแต่ยามันบังคับจะให้หลับโอ้โหมันปวดหัวคืออึ้นไสเอวียนหัวอยู่นั่นเนีะไอ้ข้างในมันไม่หลับแต่ไอ้ยามันบังคับให้หลับเอวียนหัวกงก่งเลยอ่ะเข็ดเลยอ่ะทิ้งเลยไม่เอาเลยมันไม่หลับก็ไม่หลับปล่อยเป็นธรรมชาติอย่างนั้นไปดีกว่าเออก็เห็นเป็นไรแล้วก็เมื่อเมื่อสองสามวันก่อนก็นอนนอนพุดโท้เล่นๆนะก็ คุยโทรไปแล้วสักพักก็เห็นมันหนีไปคิดไปคิดเป็นเรื่องเป็นราวแวบหนึ่งแต่ปลายมันลงไปแล้วอะค่ะแล้วก็เมื่อกี้เราพุดโทรนี่น่ะทำไมเราหยุดก็เลยพุดโทรต่อเออแต่ว่าเพิ่งเหมือนกับเพิ่งเพิ่งหัดเพิ่งหัดตรงเนี้ยค่ะก็ก็ก็คืออย่างนี้ก็คือให้ก็ให้กลับมาโทรใช่ไหมคะถ้จะฝึกพูดโทรเออก็พูดโทรแล้วก็ทิ้งเออทิ้งตัวเราไปนะะ พุทโธเรานอนไม่หลับทิ้งตัวเราไปมาหลับไม่หลับก็ทิ้งตัวเราไปเอาพุทโธเอาหลักไว้อาจารย์พุทโธแล้วมันนอนไม่หลับมันจะแดงว่าไม่จะเอาพุทโธแล้วเอาตัวเรานอนหลับเอาพุทโธอะหลักไว้ตัวเรานอนหลับหรือไม่หลับเราทิ้งตัวเราไว้ทิ้งตัวเราไปไม่สนใจเอาพุทโธไว้เราทิ้งตัวเราไปเราจะได้ไม่ต้องกระเด็นออกไปจากตัวเราไอ้ตัวที่มันเป็นโป่งแสงเนี่ยทิ้งมันไปซะทิ้งตัวเราเนี่ยมันจะหลับไม่หลับไม่ต้องมาสนใจมันห เอาหลักไว้ไอตัวเราจะหลับไม่หลับไม่ต้องไปสนใจมันมันจะเป็นไม่มันจะเป็นจะตายไม่ต้องหวงมาันหรอกเพราะว่าเอาพุทโธไว้เอาพุทโธไว้อันนั้นนี่ยมันจะไม่พายให้เรา จ, จมไปกับตัวเราจะทิ้งตัวเราลงไปใตให้มันกจมกลนท้องทะเลทุกไปเอาพุทโธไว้เอาหลักไว้มันจะหลับไม่หลับจะไม่สนใจเลี่นฐานเหมือนตาค่ะคือคือเดิมเนี่ยก็คือที่ที่ฝึกฐานเดิมนี่ก็จะไปทางจเจริญสติ ยกยกมือใส่หลวงเทียนบ้างจนจมกลมบ้างแต่ว่าทำไม่เยอะ ก, ก็ก็หลายปีแต่ว่าไม่ค่อยต่อเนอื่องค่ะก็คือลองมันโนู้นนี่นั่นมาเรื่อยๆค่ะหลังๆเนี่ยก็ช่วงหลังเนี่ยจะรู้สึกว่าข้างในมันมีอะไรแหวกแหวกอยู่เหมือนอย่างนั่งอยู่เนี่ยมันจะมี ม, มีอะไรเคลื่อนไหวยอยู่นีนมันเลิ่ไปเลิ่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันตรงเนี้ยมันตรงเนี้ยเรา ก็คือไม่ต้องสนใจมันใช่ไนี่แนวที่บอกว่าภายในใจเราภายในตัวเราเนี่ยมีความเคลื่อนไหวตลอดแต่เราไม่เคลื่อนไหว เ, เราเป็นผู้รู้ผู้รู้เนี่ยนวนอยู่อย่างนี้นผู้รู้เนี่ยไม่เคลื่อนไหวแต่อย่างอื่นล้วนเคลื่อนไหวเขาจะเคลื่อนไหวยังไงแต่ผู้รู้ไม่เคลื่อนไหวก็คือเราก็รู้ไปใช่ดังนั้นถ้าหลุดจกัก สิ่งที่เคลื่อนไหวก็จะหลุดพ้นจากการที่โปร่งแสงที่ประเด็นอกมได้เพราะการที่โป่งแส่ออกมาร้องไห้นั้นเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวแต่ผู้รู้ไม่เคลื่อนไหวมันเลยแยกส่วนกันเหมือนกับว่าไอสิ่งที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นเหมือนน้ํามันแต่ผู้รู้เป็นเหมือนน้ําที่อยู่ในร่างกายเราที่เปรียบเหมือนอยู่ในแก้วเดียวกันแต่ผู้รู้เป็นสิ่งไม่เคลื่อนไหวเปรียบเหมือนเป็นน้ําสิ่งที่เคลื่อนไหวเป็นเหมือนน้ามันมันจะเคลื่อนไหวยังไงไม่สามารถปนอยู่กับความไม่เคลื่อนไหวได้ คือสิ่งที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันก็มันคือกายปรุงแสงใช่ใช่คือจิตกิตจะสังขารสังขารแล้ว่าปรุงแต่งคือจิตที่ปรุงแต่งจึงเคลื่อนไหวได้นะคะเรียกว่าจิตสังขาร บ, บ, ขาบางทีมันก็มันก็มู๊มู๊ขึ้นมาเครื่องบนแล้วแต่มันจะตรงไหนบางทีก็ไม่มีอยเงี้ยว่าเรานั่งนิ่งๆเหมัอนก็จะมู๊ไปเรื่อยๆเออนั้ น, นเป็นแต่ผู้รู้สิ่งที่เคลื่อนไหวแต่ผู้รู้ไม่เคลื่อนไหวและสุสุดก็ไม่เคลื่อนไหวไปตาม ไม่พยายามไปดับสิ่งที่เคลื่อนไหวแล้วก็ไม่หลงไปไปปนวุ่นวายกับสิ่งที่เคลื่อนไหวถ้าอย่างนี้เราจะบริกรรมพุทโธ ท, ที่เคลื่อนละหรือว่าอืมถ้าเราสามารถเป็นเป็นผู้รู้ที่ไม่เคลื่อนไหวแล้วก็ไม่ต้องใช้เพราะว่าผู้รู้ที่ไม่เคลื่อนไหวเนี่ยเขาเรียกว่าพุทโธแต่ถ้าเรายังเคลื่อนไหวหลงคิดปรุงแต่งไปต้องใช้พุทโธ ท, ที่เป็นคำสมมติก่อนแต่ก็ยังหลงปรุงแต่งอยู่เป็นประจํา ไม่ค่อยทันทีก็เพลินไปเมาโนนเมานี้คุยอะไรเงี้ยแต่บางครั้งก็อาจจะทันบ้างในแง่ที่ ว, มม ว, ว่าสมมติว่ามันช่วงหลังเริ่มเห็นเห็นว่าสมมุติว่าเราจะสมมติเราจะไปเปิดโทรทัศน์เงี้ยเราจะได้ยินเสียงมันบอกก่อนว่าดูโทรศัพท์ดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็ก็คือมอนเหมือนธรรมดาเนี่ยก็เราก็ไปกดหรือว่าเราได้ยินแล้วเราไม่ลุกไปอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้มันมันหลงไหมคะหลงตาอมันก็รู้ตัวอยู่มีตัวรู้อยู่ไงมีตัวสั่งไปกดโทรทัศน์อะไรมันบอกมันก็เห็นหมดแน่แต่เราเห็นว่ามันไม่ได้เสียหายเลยเราจะเปิดดูไปดูแต่ตัวรู้เนี่ยมันไม่หายแต่ว่าตรงนี้เราเราเห็นว่ามันนํามาก่อนเออใช่แต่ตัวรู้เนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าเนี่ยมันมีความคิดปรุงแต่งให้เราไปเปิดโทรทัศน์ให้เราไปทํานู่นลํานี่แต่ตัวรู้เนี่ยไม่หายเมื่อไรจะอะไรมันมีข้างในมันปรงแต่งให้เราไปทํานู่นทํานี่แต่ผู้รู้ไม่หายอยู่กับผู้รู้เนี่ย พ่อแม่คุณบาอาจารย์อยู่กับผูร้รู้อยู่กับผูร้รู้อยู่กับรู้เนีก็คือเราพิจารณาว่าเราอันนี้สมควรทํำไหมสมควรพูดไหมแม่ถูกต้องเลยถูกต้องถูกต้องแต่ก็เรียนถามของตาว่าต้องเพิ่มเติมตรงไหนไหมเพราะว่ายัางในชีวิตประจําวันก็ยังหลงไปคุยบางทีก็เหลวไหลเลเ่ห์เกลียวยังมีอาจจะ ถ้ารู้ตัวว่าพ้ารู้ตัวว่าเหลวไหลก็เลิกเหลวไหลซะถ้ารู้ตัวแล้วเราก็เลิกเหลวไหลซะเห็นอะไรไม่เป็นสาระเพราะเราบอกแล้วเนี่ยผู้รู้ก็จะรู้ว่าเป็นสาระหรือไม่เป็นสาระสิ่งไดไม่เป็นสาระมีผู้รู้แล้วเนี่ยมีพุทธะแล้วพุทธะแปลว่าผู้รู้มีผู้รู้แล้วผู้รู้มันจะรู้เองละว่าเราเป็นคุย เล่นไปเล่นอะไรกับสิ่งที่มันไม่เป็นสาระแต่ความทุกข์เดี๋ยวมันก็ต้องกระเด็นออกมานั่งร้องไห้หรอกต่อการศบตัวเองอะมันไม่เป็นสาระเพอเดี๋ยวมันจะตายแล้วเดี๋ยวมันหุดไม่ทันอเอาสิ่งที่เป็นสาระดีกว่ายันถ้ามีผู้รู้อยู่ผู้รู้เนี่ยมันจะรู้เองรู้ตลอดเวลาว่ามันเป็นสาระไหมสิ่งไลไม่เป็นสาระก็จะจริ้งไปบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องเอ่ เพื่อบางอย่างประโยชน์บางอย่างเพื่อพอนผ่อนคลายบ้างมันก็ได้แต่ในการผ่อนคลายนี่ก็เป็นสาลระยังถามองตาว่าฝึกต้องปฏิบัติในส่วนใดเพิ่มเติมผิดไหมคะมันจะรู้ไหเนี่ย ว่าเป็นรู้แต่ความจริงเราเป็นคิดอยู่แล้วเราไม่รู้เนี่ยเราว่าเราเป็นรู้มันคิดอะไรเราเป็นรู้แต่จริงๆเนี่ยตรงตายเห็นว่าเราคิดอยู่แล้วเราก็เป็นคิดเราไม่ได้เป็นรู้ไม่ใช่พิกกับด้านเดี๋ยวนี้เลยไม่ใช่ว่าไม่ได้ไปว่าอดีตว่าเดี๋ยวนาขดปัจจุบันนี้เลยเราจะรู้ขึ้นมาเลยได้ทันทีไหมล่ะวันเนี้ยกําลังเป็นคิดอยู่ แล้วก็เปลี่ยนเอาเป็นรู้ว่าแต่ละคิดอะไรอยู่ก็จะเป็นรู้ทันทีทําได้แม่ถ้าทําได้นันแทบไม่ต้องบริการอะไรเลยก็เป็นรู้ไปเลยอ่าใช่ใช่แต่ก็ไม่ได้ไปดับความคิดแต่กลายมันเป็นรู้คิดฉะนั้นไอ้เคยคิดเนี่ยมันเลยไปกลายปร่งแสงแต่รู้เนี่ยมันก็เป็นพุท ธ, ธะแล้วูหนังพุทเจ้าหมาสัสดาโลกตอนที่จัดสรู้แล้วเนี่ยมีพุทธเจ้าเดินขึ้นไปที่หวงจันทร์น่ย ขบถเจ้าลุกขึ้นเดินตอนหนังพระเจ้าสัสดารโลก่ตอนเดินไปเนี่ยจะเห็นว่ากายขอบพุทธเจ้าที่เดินไปเนี่ยเริ่มเป็นกายพุทธะต่อไปผมก็ขมวดเป็นจิตจิตที่เขาทำสร้างให้เห็นว่ามันแตกต่างกับกายตอนนี้เรียนรับตอนเดินไปมันจะมีกายอีกสองกายมาสวมเพราะว่าถึงแม้จะบรรลุเป็นกายพุทธะแล้วแต่อีกสองกายมันต้องยังมีชีวิตอยู่คือกายเนื้อกับกายจิตปร่งแสงเนี่ย มันจะต้องมาทํางานร่วมกันอยู่ยังไม่ตายแต่กายเนื้อไม่ใช่เจ้ากายเนื้อที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่ใช่เจ้าเจ้าคือพุท ธ, ธะนี่แล้วในร่างกายเราเนี่ยมันมีสามกายคือกายเนื้อและวกายจิตองแตงเนี่ยแล้วก็กายพุท ธ, ธะแต่กายพุท ธ, ธะนั้นมันไม่มีร่ากายเป็นแต่พุท ธ, ธะผู้รู้ นั้นผู้คิดกับผู้รู้เนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกันคนละตัวเพื่อให้เห็นเป็นสามกายเพื่อเห็นว่าเป็นคนละตัวอนั้น Alors, ไอ <na> <Bild> <Laughs> <TA> ต, ตัวเราที่คิดมันคือตัวหนึ่งไอตัวเราที่เป็นกายเนื้อกินข้าวทํานู่นทํานี่ที่แบบเป็นร่างกายที่ทํางานอะไรทํางานในชีวิตประจําวันอาบน้ํากินข้าวอันนี้ก็อีกกายนึงแต่ไอีตัวที่อาบน้ํากินข้าวที่กาลังคิดอยู่ก็อีกกายหนึ่งแล้วไอผู้รู้ที่มาลุ้ว่าไอกายเนื้อที่กําลังกินข้าวด้วยมันคิดอะไรด้วยไอนั่นก็อีกกายหนึ่งคือกายพุทธะ ในร่างกายเรามีสามกายเราเนี่ยเป็นกายพุท ธ, ธะไว้พุท ธ, ธะกายเนื้อของเจ้าที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยไม่ใช่เจ้าเจ้าคือพุท ธ, ธะคือเราเนี่ยคือพุท ธ, ธะไม่ใช่กายเนื้อไม่ใช่กินข้าวไปคือไอ้กายเนื้อที่กินข้าวคือเราและไอ้กายเนื้อที่กินข้าวกินไปด้วยคิดไปด้วยไอ้กายที่กําลังคิดไปก็ไม่ใช่ตัวเราเราเป็นผู้รู้ ถ้าเรารู้ว่าเรามีสามกายอ๋อถ้าอย่างเนี้ยมันคิดอะไรเราก็รู้มันคิดอะไรแล้วก็รู้พราอมนคนละกายกันปัมก็เลยเป็นผู้รู้เราก็รอเราใช้ชีวิตที่เหลือเราก็ทําประโยชน์ไปตามเหตุตามสมควรตามเหตุที่เราจะช่วยเหลือคนอื่นได้เราก็รอไอ้อกายเนื้อกับไอ้อกายที่คิดเนี่ยมันดับไปซะมันก็จะเหลือแด่ผู้รู้ซึ่งเป็นพุทธะแล้วก็หายตัวไปธรรมชาติเพราะว่าผู้รู้เนี่ยกุสลบัตเขาคือเป็นความว่างเปล่ากับจักรวาลหัดใครหาเขาไม่เจอ เป็นอมาตะตลอดการนั้นในหนังพระเจ้ามหาสารราด้อมจะมีสามกายจะมีสามกายก็ดูสิตอนตัดสรู้แล้วเนี่ยตอนยังไม่ตัดสรู้มีกายเดียวแต่ตัดสรู้ปุ๊บมีสามกายตอนที่เดินไปที่ดวงจันทร์โตๆโตโตโตแล้ว่ลุกขึ้นเดินไปแล้วพระพุทธเจ้ากายพระพุทธเจ้าค่อยๆผมเนี่ยค่อยๆกระหมดปมใหม่เป็นเป็นเออก้นหอยหยิกๆเป็นเป็นกายพระพุทธเจ้า นั้นแต่เราลืมไปว่าเรามีอีกกายหนึ่งคือกายพุทธะแต่กายพุทธะเนี่ยมันคือมันไม่มีร่างกายหลักแต่พูดให้มันเห็นว่ามันคนละตัวกันจึงเห็นว่าเราเนี่ยนั่งคิดติดตองอยู่แต่เราขาดอีกกายหนึ่งคือผู้ที่รู้ว่าเรากำลังคิดอะไรถ้าเรามีอันนี้ปุ๊บขึ้นมาปุ๊บเราไม่จะไปฆ่ากายที่มีความคิดเนี่มันดับไปเพราะเราเป็นกายพุทธะแล้วก็ายที่รู้แต่ไอ้กายที่เป็น ความคิดมันจะไม่ดับมันจะไม่ตายมันจะไปดับไดงไงได้นั้นคนที่บอกว่าเป็นผู้รู้แล้วพุทโธพุโธเป็นผู้รู้แล้วอ่ะมันทำไมยังคิดอยู่ทำไมยังคิดอยู่มันถามเราอยู่เลยก็มันไม่ดับไงกายมันมันดับไม่ได้มันดับไม่ได้เพราะมันดับแล้วตายเลยเพราะกายเนื้อกายกายที่เป็นกายจิตเนี่ยกายเนื้อเอาพูดง่ายๆเป็นกายเนื้อกายกายจิตเนี่ยแล้วมีกายพุทธะอ๋อเราก็มีกายผู้รู้อีกการหนึ่งตัวในกายจิตมันคิดมันก็อีกคนละกายเราไปดับมันได้ไงมันคนละกายกัน ถาเราเข้าใจตรงกันอย่างเงี้ยอ๋อก็เป็นกายพุทธะไปซะไอ้กายที่คิดคิดคิดคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เราก็ไม่ใช่เราไปเราก็อยู่กับกายพุทธะไปอยู่กับผู้รู้ไปนี่ไงพ่อแม่ครูบาอาจารย์นึกถามท่านไาอยู่กับอะไรอยู่กับผู้รู้อยู่กับผู้รู้เนี่ยแต่ละท่านถามอยู่กับผู้รู้ทั้งนั้นเลยเราถามท่านเองก็มีเราถามหลวงปู่เหรียนวราโพนี่ยอยู่กับผู้รู้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เรามาที่นี่นั่งกูอีตัวนี้เนี่ยนั่งตรงเนี้ยแถวนี้เนี่ย ถามท่านพระที่นี่เห็นเจ้าวา ท, าทีเนี่ยถามท่านบอกเอี๋ยวปู่ทาไมใสป่ปานนี่ปุรีตาณกะโรทําไมมองแล้วทะลุไปหมดเลยทําไมใสป่ปานี่เดี๋ยวปู่มีอะไรไปเครื่องอยู่าถามซ้ำๆครับหลวปู่อะไรตอบแล้วหัวเราะด้วยอยู่กับปุลุเหมือนกันหมดทุกองคพราะอยู่กับพุทธคือท่านเป็นกายพุทธไม่ไปอยู่กับกายเนื้อไม่ไปอยู่กับกายที่กาลังคิดปรุงแต่งอยู่กับรู้ ในกายเนื้อในกายจิตคิดมันคิดไว้ก็ช่างมันแต่เป็นพุทธะเป็นพุทธะอยู่กับรู้อยู่กับพุทธะเข้าใจไหมแต่แยิ่ไม่ต้องบริกรรมพุโทโธก็ได้เพราะคาบริกรรมพุโทโธเป็นเพียงแค่สมมติผูร้รู้เป็นพุทธะเป็นเป็นพุโทโธเวเลาฟังธรรมทุกครั้งเนี่ยมันจะไปติซาบาตลอดเวลานะ mm. แล้วมันจมันจะ บอกไม่ถูกมันจะมันจะมันยังไงก็ไม่รู้ข้างแล้วมันจะเหมือนจะมันมันโล่งมากมันไม่ได้บังบังคับเพ่ให้มันเป็นแต่มันเป็นของมันเองเกิดจากอะไรไม่ต้องบีบบังคับนะปล่อยมันสุดๆเราจะมีเลือกักๆักบังคับมันไว้ปล่อยมันเลย มันจะสู้สูู้สารแล้วมันก็เออปล่อยมันปล่อยมันเลยมันจะระเบิดออกไปร้อยเปอร์เซ็นต์ระเบิดตู้หมกไปเป็นตัวแดนโลกกระ่ายก็ปล่อยมันเลยอย่าไปกักกักไว้เรายังกักเอาไว้มันจะเป็นยังไงก็เป็นไปเลยมันก่อนนี้มัาเนนเนนนี่สิบสองขวบอ่ะมันผมมันจะลอยได้ผมจะลอยได้ไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวเราเชือกผูกไว้ให้ไม่เป็นไรเราก็ลอยไปเลยเดี๋ยวเราจะเราก็ เอาเชือบปลูกแล้วเขาใส่สาวลงมาเออไม่ต้องกลัวผมจะลอยได้เหมือนผ ม, มจะลอยได้อยู่แล้วแนเนนวัไปอธิษฐานเสร็จกลับมาอธิษฐานครั้งแรกความทุกข์ความเกลียดหมดไปเอาดีแล้วดีแล้วปฏิบัติข้าขยันนั่งสมาธิดจงกลมพอจิตดีแล้วเขาก็ไปอฐาเอาใบแผ่นสามแผ่นเนี่ยใบฐานถอนคืนแล้วก็ใบขอขมาแล้วก็แผ่นเมตตาไปอธิษฐานอธิษจานครั้นที่สองเนี่ย กลับลงมาจากเกยดีโอ้ยเหมือนลอยได้เลยลอยได้ผมจะลอยได้แล้วผมจะลอยนั่งนัสมาธิต่อห น, น้าเดี๋ยจะจลอยอย่างเดียวผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเชือกผูกไว้เอวลอยเลยไม่ต้องไปกลัวปล่อยอหมดเลยอย่าไปกล้ากลไว้นะ่ออยมีมสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันนี่นะ พยายามเผ็่อมิตรตาให้เจ้าการในเวลาสรปปสัตว์นะแผ่ให้คนข้างๆด้วยแผ่ให vale right? ้ทุกคนต่างคนต่างแผ่ให้กันนะสุณชายสุณชายว่าไงสงสัยอะไรมั้ยเอาไหมให้หน LA ่อยก็ตั้งแต่มาเริ่มมาปฏิบัติธรรมกันหลวงตาก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นออก็ที่ผ่านๆมาก็ มีเรื่องคิดวุ่นวายหลายเรื่องอต่นไ้นก็พยายามจะตัดเมื่อใจดีแล้วเนี่ยมันดีเองทุกอย่างนะไม่ต้องไปกังวลหรอกพรเจ้าตัดว่าเลิกดีมงคลดีคือใจดีถ้าใจดีแล้วยังอืนดีเองไม่ต้องไปกังวลอะไรหรอกขอให้ใจดีในปัจจุบันนะ ในปัจจุบันเนี่ยพอใจดีแล้วนะเนี่ยจะอื่นก็ดีเองไม่ต้องไปกลัวว่าอนาคตจะไม่ดีนะใจดีเราใจดีเองนะในปัจจุบันจะไปกาะเกี่ยวอดีตจะไปเกาะเกี่ยวกับไปกังวลกับอนาคตในกลางกลงวันก็มันในเวลาทุกขณะปัจจุบันก็ไม่รู้ตัวอยู่ทุกขณะปัจจุบัน เนี่ยเหมือนมือที่ประนมเนี่ยเมื่อไหร่ที่ตัวกระจายมันไม่อยู่ด้วยกันในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นทุกข์ออย่าปล่อยมันเที่ยวเพลิน่านไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะเอจิตมันจะเพลิน่านไปไหนก็ให้รู้ตัวอยู่เอให้มันรู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันนะให้มันรู้สึกตัวอยู่อ่าปล่อยมันเพลินพานไปอย่าปล่อยมันคิดไปโดยไม่มีความรู้สึกตัวเข้าใจไหมอย่าทิ้งความรู้สึกตัวอย่าทิ้งความรู้สึกตัวนะอยู่ในปัจจุบัน จะปล่อยคิดเปล่นผ่านไปเรื่อยให้มันมีความรู้สึกตัวองในปัจจุบันแล้วมันจะเจริญก้าวหน้าเองไงจะเข้าไปหมกมุ่นกับความคิดอย่าเข้าไปหมกมุ่นคุณคิดให้กลับไปอยู่กับความรู้สึกตัวในปัจจุบันอย่าหลงเข้าไปหมกมุ่นคุณคิดอะไรอย่าทิ้งความรู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันแล้วเข้าไปหมกมุ่นคุณคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะ มันจะค่อยๆดำลงดำลงค้ำลงค้ำลงรังสีจิตมันจะค้ำลงแลยวจะแย่อันนั้นแน่มันจะไม่เจริญเลยพอเรามีความรู้สึกตัวในปัจจุบันแล้วไม่เข้าไปหมกมุ่นคุณคิณคดไม่เอาอะไรมาไว้ในจิตนันแนะมันจะสว่างสวัยไปตัวแดนโลกธาตุเนี่ยบุญบรารมีมันจะเยอะมันจะพาตนให้เจริญลุ่งเรืองจะช่วยตนเองให้พ้นทุกข์ช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์ได้เ ข, ข้าใจแม่เข้าใจครับ มันฝึกฝนเข้านะครับอย่าทิ้งความรู้สึกตัวในปัจจุบันแล้วแล้วก็ไปหลงหมกมุ่นคุณคิดเลยความสําคัญที่สุดคือความรู้สึกตัวในปัจจุบันอย่าทิ้งอย่าทิ้งความรู้สึกตัวอย่าทิ้งความรู้สึกตัวในปัจจุบันหลวงปู่เทียนเนี่ยตอนสอนลูกศิษย์เนี่ยเร อ, อ่านในหนังสือนะเราสอมว่าเอ้ย เ, ยเยทํางนอย่างนี้ๆๆเองทำนี้นะ ท, ทาตามที่ข้าบอกนหะพอท่านหันหลังเลยปุ๊บแค่หันหลังว่าเนี่ย ่านกาบมาใหม่เลยเออไม่ต้องอะไรที่ที่ข้าบอกเมื่อกี้อไม่ต้องทำนะเอคือจิตกับลูกศิษย์มันเปลี่ยนไปแล้วไงเอ๊ะพอมันมันจะทำอ้าทาไมไม่ทันจะทำเลยแต่ความจริงเนี่ยพอพอบอกปุบมันจิตมันเปลี่ยนไปแล้วพอท่านหันหันลงกลับมันจิตมันเปลี่ยนไปแล้วท่านกลับมาเออไอที่บอกเมื่อกี้เองไม่ต้องทำาล้วทำอย่างนี้ทำใหม่ทใหม่ทอย่างนี้อย่างี้มันต้องเอาทันให้ไล่ให้ทันในปัจจุบันเรื่อยไปอดีตต้องทิ้งไปหมดเรื่อยไปไปเจอหน้าเราใหม่ต้องเป็นอัน อันปัจจุบันปัจจุบันใช่ไหมเดี๋ยวว่าเอออาจารย์หนูเาไวข่าแล้วหนูกลับไปอาจารย์ให้การบ้านกลับไปกลับมานี่หนูเม่อันจะตกการบ้านอาจารย์บอกทิ้งไป ห, หมดแล้วอันนั้นเปนอดีตหมดนะนะอดีตมีแต่ปัจจุบันปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นธรรมะอดีตเป็นธรรมเมาอน า, าคตเป็นธรรมเมาทาแล้วลองรอยที่ทํา ทำที่ปรากฏมันก็มาส่งกันบ้านเราเองและเน่ยนั่นแหะไม่ต้องเอาคําพูดมาไม่ต้องเอาไม่ต้องแบกวิธีการมามาส่งเราด้วยเพราะเราบอกให้ทำอย่างไรไปปฏิบัติแล้วทําก็จะปรากฏร่องรอยมาเราเห็นเองว่านน่แน่เป็นธรรมอย่างไรหรือไม่เป็นธรรมแต่ไม่ต้องแบกวิธีการกลับมาหาเราอีกวิธีการทิ้งให้หมดเหลือแต่เอาธรรมมาโชว์เข้าใจไหม